ความระมัดระวังตัวต้องมีตลอดเวลามันมีเป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัตมมีภูวการเป็นหนึ่งถ้ามีภูวารเป็นหนึ่งตอนนี้จะให้มไอ้ไรมาว่าใจถ้าายได้เห็นในนั้นแล้วผมไม่ว่าใจเลยเพื่อนภูมิใดกท่าต่างพระคุบชายาดิขันนันในหลักปฏิวัติศาสนาในหลักการภาวนาภายใน เวลากลัวก า, านีไปแล้วเป็นอย่างนแสดงว่าไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อทำว่าอยู่กับตัวเองอยู่กับการทำมันตัวเองทราบทุกคนว่าเวลานี้เรามาผุดทรมานกาจัดกิเลสมันเป็นค่าสุดต่อตัวและผู้อื่ เป็นสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมก็คือที่เล่นไม่ใช่สิ่งใดขวางทาแล้วไม่ขวางที่ว่าที่เดแล้วมีมา ก, ม, ก ม, มีน้อยกเหมือนเหมือนกับเกลื่อนกับนามเหมือนหอกเหมือนหลาเหมือนมากก็เหมือนออกแลแหลมเหลาแหลมแหลมเนี่ยขึ้นแคลมีมากมมก็เหมือนเกลื่อนเหมือนหนามานรับความสะดสบายการมาบวชในศาสนา พระพุทโดยเฉพาะเป็นนักปฏิบัติไปแล้วจึงผีเรื่องเห่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องฝึกพลังงานจะให้มันออกเพื่อนขัานได้อย่างน้อ ย, อย่าให้มันมาแสดงออกมาปียาภายนอกให้หมูเพื่อนเห็นเนี่หน้าเกลียดหน้าโกรธของมันให้ต่างคนต่างมันระละังถึงจะมันจะร้อนจนไปให้มันเผาอยู่ในคนใจเองอย่าให้มันระบาดออกมาภายนอกให้คนอื่นเนี่ยติดนาละอายใจให้ตนอื่นเี่ยเหนความอยากของตน การามว่ายให้ถึงกันทร์ิยาที่แสดงออกเป็นความไม่พอใจต่อกันนะกันนี้เป็นความทะเลาะวิวาทกันเป็นความไม่ลงรอยกันนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยเป็นเรื่องของที่เหลือออกตลาดเป็นเรื่องของที่เหลือออกหน้าออกตามามียอำนาจบังคับบังชาให้พระทะเลาะกันแสดงมาต่อหน้าต่อตาอย่างลื่ว ด, ดด่างไม่ละอายคําว่าพระหนื่อ นี่ขอให้เจ้าให้ดิอันนี้เป็นเรื่องอยากถ้าลมน้มาแสดงออกมาภายนอกแล้วแสดงว่ายากมากเลยมันจะเป็นถ้ามันเป็นอยู่ภายในบังคับอยู่ภายในเป็นนั้นเมื่อมันเป็นอยู่ภายในก็ให้ทจ้าว่ามันคือที่เลสไม่ใช่ของดีที่เราจะพยายามส่งเสริมหรือรักเห็นใจมัน ความเคารพกันนั่นแหละเป็นหลักธรรมหลักที่มันนี่ความถือหลักเหตุผลผู้ใหญ่ก็ตามผู้น้น อ, อกาาญญญยก็ตามให้เล็งเหตุผลการแสดงออกในทางมาจาที่ยามในก็ตามให้เล็งเหตุผลผู้คอยยึดก็ยึดเอาหลักเหตุผลทำรังแพร่รังชนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า ทางแต่เดียวฐานชนะนันกัดกันพวกกระดกก่กงางหลังกระด้างหลังชนะไทยยิ่งน่ะก็คของอำนาจประเทศลิกขิตไม่ทำนคนไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งข้ามอี่แล้วจะเป็นอย่างนั้นไปไม่น่าเป็นเรื่องอยากที่ความประหลดตนเองแล้ว ที่ไหนน้อยผิดใครเคารพทำผิดผูกเราทราบอีกเราพยานามแก้ไขอีกท่านพ อ, อวัดอธิบติก็ให้ทราบวล่ลัมวลาความ เ, เกรงใจกันนั่นแหละที่ทำออกมาข้างนอกเขาเกรงใจกันอยู่พายในยก็เคารพก็เองไม่เคลื่อนข้าศ การทำข้าวัดปฏิบัติทุบบทสิ่งที่อยางไม่ให้บกพร่องก็คือตัวเมเป็นผู้สมบูรณ์ต่อตนเองในข้อวัดอฏิบัติแล้ว อ, อ, อุปถึงจิตใจคนอื่นก็น่าชมเมื่อเห็นแล้วก็น่าชมคนอื่นก็ชม ก, กันอย่าง ก, ก, ก, ก็มีวงปฏิบททัติของเขานึ้งที่เป็นที่ ก็รปุ่เดินใจจี้างตอนนั้นเราก็จะมาวาแต่เราไม่สนใจนำมาคิดนำมามาเป็นคติปุ่มคือยีดเป็นคติมันมีน้อง เราเจ็ดข้อวัดปฏิบัติอะไรแล้วให้ต่างคนต่างหาที่ประกอบความภาคความเพียรเวลาผมไปแล้ากับแขรกันไม่ค่อยมากต้องลดลงลดลงล้วก็มีทำงานดึงมาชวนม า, นานนหมหนนผมอยู่เป็นเวลาที่เราประกอบความเพียร น, นี่เปเวลาที่จะประกอบข้อว่ัดัะไรแล้วอยให้เสื่อนค่า ความคิดเปียนนี้อย่าให้มัเกดเข้ามาเกิดข้างหน้าลีาการจักการจริงข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องดำเนินตามหลักธรรมคืออะไรนะถือเป็นหลักถือเป็นยุทธจิตใจถือเป็นภาพปฏิบัติท่านนั่งท่านงนัง่งนงเกี่ยนอุบายวิธีที่จะคลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเรื่องที่จะ เหมาะสมเพื่ออาชีพธรรมกับ ต, ตัวนั่นนั่นเป็นรูปายพิธีของแต่ละลายละลาที่จะพิจารณาเทิเนั่งแบบนั่งงงนั่งง่วงนั่งหลับไปเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันั่งง่วงจริงจะเป็นเหนื่อยหลับเฉยนอนเฉยความตั้งใจนอนแล้วตั้งใจตื่นตั้งใจติดพมานตนนั่นเป็นธรรมนี่ก็เป็นนั่งหลับไปเฉย น่านรา น, านาแบนี้มันเกิดไปยมันเคยตอนนี้สยแล้วแนนะนนก้นาวนีไม่ลื ม, มาได้ตลดนี้เป็นของฝุกได้เป็นของสุกของทรมานดัดแปลงแก้ไขได้ตั้งแต่ขั้นต่าขั้นยากถึงขั้นละเอีอยดละเอียดฝุกจิได้ พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แน่ที่ทรงสุดพระองค์มาก่อนจนได้รับรู้ธรรมกลายเป็นสันรราระอกทธิของโลกขึ้นภ า, าสาเวกเป็นอันดับต่อมาเรื่อยๆท่านผู้วิเศษเหลนี้ด้วนแล้วตั้งแต่วิเศษจากการสุดทรมารใจเป็นสิ่งที่สุดทรมารได้จึงเป็นใจเป็นใจวิเศษนะธรรมะจึิงเป็นธรรมะจริงแท้ไม่ใช่ธรรมะปลอม เป็นเครมือสำคัญที่จริงนะครับก็แก้ไขจิตใจให้ถึงความพ้นุกที่ือามมีสติดยที่สูงได้โดยไม่ต้องสงสในวงพุทธศาสนานี้แต่เครื่องมือใดที่สมควรจะนํามาฝึกมาแก้ไขตนเองนั่นสําคัญคืออุบายใดนั่นนำมาเครื่องมือใดอุบายใดวิธีใดเพื่อนํามาแก้ เราคิดพุัดาติปัญญาอย่าให้ง่ศาสนาไม่นช่ของโง่มันจะทําโงพพุทธเจ้าพูดมาที่ทำไม่ใช่ทโงงศาสนาธรรมที่แสดงออกสอนโลกไม่ใช่ศาสนาที่สอนคนให้งงเราผู้ปฏิบัติศาสนาจริงพยายามควรพยายามแก้ไขกลุ่มคิตนเองให้มีความเฉลียาดรอบครอบทั้งภายนอกภายในะ จิตทะเับการแก้ไขดัดแปลงเมื่อสติปัญญาอยู่เสมอนล้วจะเปลี่ยนแปลงอาการของจิตจากความอยากเข้าสู่ความละเมอียดเรื่อยๆไปเปลี่ยนไปเรื่อยหินลับของสติปัญญาคือกายเนี่ยบําคัญกายมีอะไรอยู่ที่เราติดอะไรทุกวันเนี่ยก็ติดกายสําคัญว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขา อืเป็นเงิน ใ, ใหญ่ที่เรียกว่าอุปท า, านยึดมาตั้งนแนต่ไหนแต่ไรนล้วขี้ายดูให้ดีเโืยอุบายวิธีดังที่เคยสอนแล้วเราจะพิจารณากายนอกก็าตามกายในก็าตามกายหญิงก็าตามกายชายก็าตามถ้าพิจารณาเพื่อความปลอดภัยเพื่ความแก้ไขเพื่อความเมืองหนอัเพื่อความเห็นตามเป็นจริงของขอินันนั้นแล้วจะไม่ติด สมุทัยมีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายนอกมักคือการถอดถ อ, อนที่เรียบด้วยอวายสติปัญญานี้จึงมีอยู่ทั่วไปมีได้ทั่วไปพิจารณาได้ทั่วไปไม่มีอะไรามาขัดข้องใครเป็นนักวิษาวิจารณกายมากคนนั้นนใจจะสงบแล้วไม่ยุ่งเหงื่อบุบวายกับสิ่งภายนอกที่ให้เกิดราคะตัณหาแยกดูให้มันเห็นทั้งหมดแล้วพิจารณาจน เหมือนเขาคาบนานเอามันละเอียดม้นคาบมูลไขายให้มันแหลกละเอียดเลงเราจะมง่ขนาดไหนก็ตามการพิจารณาทำข้ามคาดคาดหลายครั้งเลยผมมันก็ไปละเอียดกันไป อ, อ, นนนอีกหนึ่งว่าคนานควอยเยลลิ้งท่าไม่สำคัญสำคัญคือมูลนคาบมูลนขาให้มันแหลกละเอียดและควรแต่การตัดดังต้นข้าวทั้งหด สมืองงานเพรามันเป็นสีได้ดี 1, นนเนื่องจากมูลค่ามงลถ่ายแลงด้วยสติปัญญา ท, าทับปัญญาค่อนขแหลกละเอียดวันหนึ่งกี่ครั้งข้อช่างเถอะไม่สําคัญสําคัญความเข้าใจมื่อเข้าใจไปถึงไหนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความสาคัญต่าง ๆ, ๆที่เป็นเครื่องเครื่งองกดผรองจิตใจจะค่อยถอนตัวออกมาถอนตัวมารู้ชัดถ้าเรายิ่งถอนมาก ถอนความดิบมันผิวมันคือกายนี้เองเหมือนพิจารณารอบครอบเขาจะหมดไม่มีที่ถึงสายแล้วมันก็ปล่อยมันไม่ถือไว้นะทั้งทงที่เคยูเป็นอุปทานมาในชาติขันนี้เท่าไหร่กี่กับกี่การไม่รู้ทราบในชาตินี้ก็ตั้งแต่วันเกิดจนขณะปัจจุบันพอมันทราบแล้วมันก็ปล่อยทั้งมันได้ไม่หวามันไม่ถือปล่อยได้มากเพียงไรก็เข้ากับเรานําภาระออก กบับบาของเร า, น, านั้นมากใไปหนักร่อยได้หมดเราก็สบายดยมันนี้่จะตามความจริงมันมีอะไรอยู่ในส่วนธาตุันแต่หนังแต่นี้อตัเก็ดูเข้าไปฮับใัยมันเต็นเพื่อของยุทธะยุทธธรรมปฏิปูนก็ไปหมดตดวปางมานี่เป็นคนแต่คือมันเหม็นหรือว่าของดียังไงก่ายธาตุดิบ มันดียังไงตามความจิงมันเป็นอย่างนั้นคนทายาปิดบางในสิ่งนี่ไม่อยากพูดไม่อยากเปิดเผยหากอยาทําในสิ่งที่ไม่น่าทำ น, น, น, น, น, นี่นั่นแปลวา่วามนุษย์ เ, เราพูดกันแล้วลูกจิตมันขวงแขวทั้งจิตเขาจิตเราถ้าจิตนี้มันถ้าท่าจริงมันก็ชอบสิ่งอย่านั้นขนาดไม่อยากไม่อยากพูด อก็แบบมันเสกเอาว่าดียี่ความทางตรอดความเสกมันดีอ่ะมันไม่จริงความจริงนั่นแหลคือความแท้ทำแท้พิจาราถึงความจริงเข้าจะว่าอะไรมันก็ไม่หลงกับใครเหน็นมาที่นหนความจริงมันอยู่กับทุกคนเมื่อถึงความจริงด้วยการพิจารณาถึงแจ่มแจ่มชัดเจนแล้วอะไรจะติดแล้วอยู่แล้วมันก็ถอนอมันเอง โลกจะถืออยู่สามโลกวัฏฏต่างคนต่างถือก็ตามแต่จิตดวงใดรายใดที่จะพิจารณาให้รู้แจ้งแจ้งตลอดในทุกสิ่งบรรดาที่เกี่ยวข้องกับตนแล้วลายนั้นจับพ้นก็ได้เลยทั้งทั้งที่สามโลกวัฏฏไม่มีใคร้นก็าตามเมื่อถูกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น ดูกายเนี่ยดูข้า ง, งในข้างนอกดูข้างบนข้างล่างเอาให้มันท่องเที่ยอยู่ตามร่างกา ย, ยดูด้วยความสนใจกํจาหนดปริญญาให้มันแยกออกดูข้างนอกอ า, าสมมติว่าข้งางในมันเบื่อมันขี้เกียดมันคิน อ, อะไรมันดักจะเที่ยวนอกเอาข้างนอกมาปริญญาแยกออกมามันเสวยตรงไหนมันงามตรงไแล้เอาจนจนปฏิกูลจกโกของเา อ, ออกมาดูดูมันเหมือนหมด นีสตกร้องก็ดูนี่เราก็เห็นได้เลยวดูทิ่งเกินการดีตามตรงนั้นทางดัต์ ด, ดูนี่ดูหมาดูวัวดูควาที่นิตกร้อมนเป็นตัวโดินตัวใหญ่ๆเป็นตุน่นูกระดูกากากระดูกไกกระดูกหมูมีในถ้วตุ่ไก่เวลาเป็นตัวอยู่คนมันก็มีน่ารักอแล้วมาเป็นเวลาเข้ามาอยู่ในั่วตุ่ มันก็ป่าช้าเขาของไก่ของเป็ดอยู่ในทั่วเนี่ยถ้าพี่น้ําถึงความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเลยหลงไปอย่างอย่างที่เคยหลงนะอาหารการบริโภคที่เป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอะไรอะไรดูลงไปมันก็เป็นป่าช้าดีๆนี่ของเราที่สํ า, าสคัญว่าเป็นอาหารโดยไทยเดียวไม่ได้คิดปรับป่าช้าคือทำท ำ, ทำแต่นี้เท่านั้นเราไม่ได้หาทำเราหาแต่เรื่องของลิง้นนันก็เห็นแต่ลิ้นที่กินไม่คอสิ ถ้าหาเรื่องขอาทแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปมันก็รู้ว่ากินก็กินไปอย่างนั้นเองอยู่ข้างนอกมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความเกี่ยวข้องสัมผัสเ ป, เป็นอย่างกลิ่นอะไรอะไรเป็นหนึ่งสีสันอนตรเป็นหนึ่งพอเข้าไปข้างในนี่เป็นอะไรอีกทิก็เพราะว่าข้างในเป็นตัวปฏิกูลทั้งหมด จนทั่งออกมาทุกผิวหนังก็มีเันจังที่จะอะไรอี่นะไรที่ใคยยรนั่นมันก็ออกมาจากของทั้งโปรกภายนอกโอภายในยามีเจแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมเข้าไปภายในแล้วมันเป็นยังไง น, นั่นมีแต่ของประดุณทั้งหมดในร่างกายมีแต่ทางนี้เราจะปัญหาเจ็บอะไรว่ามันเป็นอะไรนั้นมันเกนไปด้วยลนะ ถ้าจะเสือกว่าเสืเรื่องง้ำว่าอะไมันก็เป็นการเบื่อในดับเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพิจารณาเห็นตามความจริงอยู่แล้วมันต้มีปัญหาทำกุเรียจการว่าชอบแล้วชอบอย่างนี้ยหี่ครอบอย่างไม่มีปัญหาเลยมันเป็นปัญหาอกอ่างกับหัวใจตัวเองที่มีจีวิต เ, เป็นเครื่องหลอกห่วงมันหลอกทั้งวันทั้งคืนทําว่าอย่างนี้มันหลอกให้เป็นอย่างนี้ไปเสียเนี่ยทำคือความจริงเป็นอย่างนั้น มันหลอกให้เป็นอย่างนี้เสียเราก็หลงไปตามความหลอกเราไม่ได้เห็นไปตามความจริงเพราะในตัวของเราทั้งหมดความรู้เห็นของเราทั้งหมดมันจมิงในเรื่องต่อเรื่องเรื่องค่ามันมีผลประโยชน์อะไรกับเรานอกจากจะเอาความรู้ให้เราแต่ความจริงจะเกิดถุกได้แต่พระตัวกระตาธรรมโคือทำจริงถอนจริงผู้กษัติย์ตามนั้นจะรู้จริงเห็นจริงและถอนตัวออกตัวออกได้โดยธรร ใครก็คนท่านปัญญาภีบ้านนี้ก็